بسم الله الرحمن الرحيم ت س ج ل ا ت ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامري الشريط العاشر ويحتوي على س و ر الحج المؤمن النور والفرقان ن ع ا ب و الحج ب و الحج ف ن ب و ب ن ا ن ي ه มีเจ็ดสิบปองค์การโดยกล่าวถึงด้านต่างๆของการตราพระบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดานยะอื่นๆซึ่งมีความสนใจทางด้านนี้ทั้งๆที่บทนี้เป็นบทมรดาญ์แต่ถ้ ว, ว่าบรรยากาศของบทมักเกียรได้เข้าครอบงำอยู่มิใช่น้อยยังมีเรื่องการศรัทธาการให้ความเป็นเอกภาพการตักเตือนการฟื้นคืนชีพการตอบแทนและสภาพของวันเกียยมา ตลอดจนเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นในวันนั้นยังเป็นภาพที่เด่นชัดในบทนี้จนกระทั่งผู้อ่านเกือบจะวาดมนโนภาพว่าเป็นบทมัคกียานอกเหนือไปจากนั้นก็เป็นเรื่องของการตราพระบัญญั ต, ติต่างๆเช่นอนุ ญ, ญาตให้มีการสู้รบกดเกณฑ์ต่างๆของการทําฮัจและการทําฮัจการเชือดสัตว์พลีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบทมดานิยะ จงกระทั่งนักวิชาการบางท่านถือว่าเป็นบททั้งสองประเภทคือเป็นทั้งมาดานิยะและมักขิยะบทนี้ได้เริ่มอารามพบทด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่รุนแรงที่น่าสะพรึงกลัวทำให้ใจิตใจสั่นสะเทือนอกสัน่นขวัญหายนั่นก็คือสภาพของแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอวสานของโลกความบาดกลัวจัตวียิ่งขึ้นในความลึกคิศของมนุษย์ มันไม่ใช่เป็นเพียงการทางทลายของตึกรามบ้านช่องเท่านั้นหากแต่ความกลาหนในวันนั้นยังทำให้แม่ตกตะลึงลืมให้นมแก่ลูกของนางหญิงที่ตั้งครรภ์ก็จะคลอดลูกของนางออกมาก่อนกำหนดมนุษย์ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้โดยมีสภาพนนเหมือนคนหมังทั้งๆที่เขาไม่ได้ดื่ดรุราหรือของมึนเบาใดเลยแต่ถ้ว่ามันเป็นสภาพที่น่าสะพรึงกลัว ทำให้จิตใจสั่นสะเทือนเป็นอย่างยิ่งการสภาพความน่ากลัวของวันอวสานไปจงกระทัง่งวันฟื้นคืนชีพบทนี้ได้นําหลักฐานมายืนยันให้ประจักษ์ถึงวันฟื้นคืนชีพหลังจากวันอวสานแล้วก็นําไปสู่วันแห่งการตอบแทนเพื่อมนุษย์จะได้รับการตอบแทนของพวกเขาถ้าการงานของเขาดีก็จะพบความดีถ้าการงานของพวกเขาชั่วก็จะพบความชั่ว บทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของวันสิ้นโลกบางตอนโดยที่คนดีทั้งหลายจะอยู่ในเครือข่ายที่มีแต่ความสุข ก, กายสบายใจส่วนคนชื่อทั้งหลายก็จะอยู่ในเอเวจีที่มีไฟลุกโชนบทนี้ได้กล่าวถึงเคล็ดลับในการอานุญาตที่มีการสู้รบกับพวกปฏิเสธศรัทธาและยังได้กล่าวถึงหมู่บ้านที่ถูกทำลายสาเหตุเพราะความอาธรรมและความโอหัง ท่านี้เป็นการชี้แจงทุกแนวทางของอัลลอฮ์ในการประกาศเผยแพร่และให้ความอบอุ่นใจกับบรรดามุ穆ิลถึงบ้านั้ปลายที่พวกทนทั้งหลายจะได้รับในตอนสุดท้ายของบทได้ยกอุทาหรณ์ในการขอรับสการะรูปปั้นจเจว็ตของพวกปฏิเสธศรัทธาโดยชี้แจงว่าสิ่งที่ถูกสการะหรือพวกจเจว็ตเหล่านั้นไม่มีความสามารถ ในการที่จะให้บังเกิดแม้กระทั่งมแมลงวันสักตัวหนึ่งอะไรซี่เล่าที่จะบังเกิดมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ได้ยินได้ฟังได้เห็นและได้เรียกร้องให้ดำเนินตามแนวทางของท่านนาบีอิบราฮิมอะไยฮิสลาซึ่งเป็นต้นตรกูลของการอิมานศรัทธาและแก่นสำคัญของการให้อกภาพต่ออัลลอฮ์ชื่อของบทที่เรียกชื่อบทนี้ว่าอัลหั ก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านนาบีอิบราฮิมอะลาัยฮิสสลามขณะที่เสร็จสิ้นจากการสร้างอัลกับาและได้เรียกผู้คนไปทําฮัจญะไบตุลลอฮ์อัลฮะโรบบรรดาขุนเขาก็ยอมนอบน้อมจนกระทั่งเสียงเรียกร้องของท่านได้ยินไปทั่วทุกสารพิษแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในกระดูกสันหลังของชายและในมดลูกของหญิง ก็ยังตอบรับเสียงเรียกร้องของท่านว่าลับใบกันล้อหุมมาลับใบกันด้วยพระนามของ a ลล a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้มนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าจงยังเกรงต่อพระัูวอภิบาลของพวกเจ้าเถิดเพราะแท้จริงการสันสะเทือนของวันสิ้นโลกนั้นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งนัก วันที่พวกเจ้าจะเห็นมันคือแม่นมทุกคนจะตกตะลึงลืมสิ่งที่นางกำลังให้นมนแก่ลูกป่อน และหญิงตั้งคันทุกคนจะคลอดลูกที่อยู่ในคันของนางออกมาและเจ้าจะเห็นมนุษย์ในสภาพมึนเมาทั้งๆ ท, ท, ที่พวกเขาไม่ได้เมาแต่เพาะว่าการลงโทษของลอน้นรุนแรงยิ่งนะักและในหมู่มนุษย์นั้น บางคนจะโต้เถ well, ียงในเรื่องของอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้และเขาจะปฏิบัติตามชัยตอนทุกตัวที่ดื้อรั้นุด้มีกำหนดไว้ว่าแพ้จริงผู้ใดยึดมั่น ชัยตอนเป็นวิตรสหายแล้วแน่นอนมันจะทําให้เขาหลงผ่างและนำไปสู่การลงโทษที่มีเปลี่ยวไฟลุกโชนยาอันยุหันนาสุธิคุณทุมฝีรัยบินมินัลบาทฟะอินนาขลักนาคุมมินทราบินทุมมมิน ثمة ثم من ع ل ق ه ثم من ع ل ق ه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في ا ل أ ر ح ا م ما نشاء إلى نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أضل العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وتر الأرض هامدة โอ้มนุษย์เอ๋ยหากพวกเจ้ายังอยู่ในการสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพแล้วไซแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้าจากดินและจากเชื้ออาสุจิ และจากก้อนเลือดและจากก้อนเนื้อทั้งที่เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์และไม่เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์เพื่อเราจะได้ชี้แจงพวกเจ้าและเราได้การตั้งครรภ์เป็นที่แน่นอนอยู่ในมดลูกตามที่เราประสงค์จนถึงเวลาที่หกลงไว้แล้วเราได้ให้พวกเจ้าคลอดลูกออกมาเป็นทารกและเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่วัยชะกัน และในหมู่พวกเจ้ามีผู้เสียชีวิตในวัยหนุม่มและในหมู่พวกเจ้ามีผู้ถูกนากลับสู่วัยอันต่ำต้อยวัยชราเพื่อเขาจะไม่รู้อะไรเลยหลังจากเคยมีความรู้และเจ้าจะเห็นแผ่นดินแห้งแลง้งครั้นเมื่อเราได้น้ำฝนหลั่งลงมาบนมันมันก็จะเคลื่อนไหวขยายตัวและพองตัวและงอกเหย่อออกมาเป็นพืชทุกอย่าง เป็นคููคู่ดสวยงนั่นก็เพราะว่าแท้จริงอัลลอฮ น, นั้นคือผู้ทรงสัจจะแท้จริงพระองค์ทรงให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นและแท้จริง พระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งและแท้จริงวันสิ้นโลกจะมาถึงอย่างแน่นอนโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆแต่แพ้จริงอลัลลอฮจะทรงให้ผู้ที่อยู่ในสุสานฟื้นคืนชีพขึ้นมา และในหมู่มนุษย์นั้นบางคนจะโต้เถียงกันในเรื่องของอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้และโดยปราศจากแนวทางที่ถูกต้องและปราศจากคำมีที่มีหลักฐานอันชัดแจ้ง ญญยยเขาจะเอี่ยวตัวเขาไปอย่างยะโสเพื่อให้ผู้คนหลงจากทางของเลาสำหรับเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้และเราจะให้เขาลิ้งรถกาลงโทษที่มีไฟลุกไหม ในวัน่นเพราะว่ามือทั้งสองของเจ้าได้ทำไว้และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอธรรมต่อพวกเบา และในหมู่มนุษย์นั้นบางคนจะเครพพักดีต่อหละบนขอบทางของาศาสนาหากความดีประสบแก่เขาเขาก็พออกพอใจต่อสิ่ง น, นั้น หากความทุกข์ยากประสบแก่เขาเขาก็จะผินหลังของเขากลับสู่การปฏิเสธเขาขาดทุนทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั่นเป็นการขาดทุนอย่างชัดแจนเขาได้วิงวอขอสิ่งอื่นจากอัลลอ ซึ่งมันไม่ให้โทษและก็ไม่คุนแก่เขานั่นเป็นการหลงผิดที่ไก่ uh h, la เขาวิงวอนต่อผู้ที่โทษของมันจะมีขึ้นเร็วกว่าคุณประโยชน์ของมันแน่นอนมันเป็นการลงโทษที่ชั่วช้าแท้ๆ แ, และมันเป็นสหายที่ชั่วช้าจริงๆ แ ال ท้จริงเราส่งให้บรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลาย เข้าสวนสวรรค์อลากหลายณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงกระทาสิ่งที่พรร่งทรงประสงค์ فال ي า م ผู้ใดที่คิดว่าอัลลอดจะไม่ส่งช่วยเหลือเขามื่อมัดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าาะจงให้เขาผู้นั้นต่อเชือกขึ้นสู่ท้องฟ้าและเขาตัดมันออกคือผูกขอตายแล้วให้เขา เฝ้ามูว่าแผนการของเขาจะทำให้สิ่งที่เขาเครียดแค้นหมดไปไหมและเช่นนั้นแหละเราได้ประทานอัลกุรอาน ล, ลงมาเป็นองค์การองค์การที่ชัดแจ้งและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พรลง ส่งประสมอินั้ลดีน่ามันูวัลเดีนาฮัูอัลซัตีนวัลนซาราวัลมจูสวัลมจูสวัลเดีนาชรตูอินนัลลอฮะเยสินเบญนัมยูมันอิคิยามอินนัลลอฮะอัลลั บรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาชาวยิวและพวกกราบไหว้ดวงดาวและชาวพิทและพวกบูชาไฟและบรรดาผู้ตั้งภาธีแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกอรอโลกแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงเป็นพยานแก่ทุกสิ่ง من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. เจ้าไม่ได้เห็นหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์เท่านั้นผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่ในพันดินและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายและภูเขาทั้งหลายและต้นไม้และสัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ส่วนมาก ตามก็กราบนอกน้อมตอบพระองค์แต่ส่วนมากการลงโทษจะเหมาะสมคู่ควรแก่เขาและผู้ใดที่อัลลอ์ทรงทำให้อับยะต์ก็จะไม่มีผู้ใดให้เกียรติเขาแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงกระทำสิ่งที่รงงพระองค์ทรงประสงค์ ผู้โต้เถียงทั้งสองฝ่ายนี้ต่างก็โต้เถียงกันเกี่ยวกับพระผู้อวิบาลของพวกเขาสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธสถานั้นมีเสื้อผ้าที่ทำด้วยไฟตัดไว้สำหรับพวกเขา น้ำร้อนเดือดจะถูกเท ร, ราบลงบนศีรษะของพวกเขาในสิ่งที่อยู่ในทองของพวกเขาและหนังจะถูกละลายด้วยน้ำร้อนเดือดนั้นและสำหรับพวกเขาจะถูกทุบด้วยก้อนเหล็ก ทุกครั้งที่พวกเขาต้องการจะออกไปจากนารกเนื่องจากความทุกข์ยากพวกเขาก็ถูกนำกลับไปในนั้นอีกมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า พ่อเจ้าจงลิง้มรสการลงโทษที่มีไฟเผาเถิดอินนัลลอฮะยุดหิผู้ที่ละเอมัลและทำสิ่งที ال ت ดีไปสู่สนรรค์นวรรค์ที่จะเดินอยู่ใต้น้ารี่ไหลและมีสีสันจากน้ำทีิไหลและมีสวสันจากน้ำที่ไหละมีี ถึาจรงอจะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาและทำความดีทั้งหลายเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเนะบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะถูกสวมใส่กำไลข้อมือที่ทำจากทองคําและไข่มุกและเสื้อผ้าของพวกเขาที่สวมใส่ในนั้นก็เป็นผ้าไหมวะฮุดอิลฟยบินะลกลีวะฮุดูอิลซิราตีลฮามิด และพวกเขาจะถูกนำสู่คาพูดที่ดีมีประโยชน์และจะถูกนำสู่ทางที่รับการสรรเสริญคือสวนสวัสดิด มนถ้าทีบ่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและขัดขวางทางของลอและมัสยิดอัลฮารอมซึ่งเรได้สร้างมันไว้สำหรับมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ที่พำนักอยู่ในนั้นและที่มาจากภายนอกและผู้ได้ปรารถนาที่จะออกนอกทางด้วยความมาทํา เราก็ได้เขาได้รับการลิ้มรสการลงโทษอย่างเจ็บปวด。 และจงรำลึกถึงเมื่อเราได้ชี้แนะ่สถานอัลไบคืออัลกับบาแก่อิบอัหฮินว่าเจ้าอย่าตั้งพาทีใดๆต่อข้าเลยและจงทำบ้านของข้าใ ห, าสหา้สะอาดสำหรับผู้มาเวียนรอบผู้ยืนละหมาดผู้ดุ ก, กัวและผู้สุญูดผู้ปฏิบัติละหมาด ดดและจงประกาศแก่มนุษย์ทั่วไปเพื่อการทำให้และพวกเขาจะมาหาเจ้าโดยทางเท้าและโดยทางปูทุกตัว จจะมาาากกททงรุเพื่อพวกเขาจะได้เข้าร่วมเป็นพยานในผลประโยชน์ของพวกเขา และกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ในวันที่เป็นที่รู้กันดีอยู่คือวันเชื่อตามที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาจากสัตว์สีเท้า ดังนั้นพวกเจ้าจงกินเนื้อของมันและจงให้อาหารแก่ผู้ยากจนขัดสดนแล้วให้พวกเขาทําความสะอาดโดยการโกนหรือตัดผมและให้พวกเขาทําให้ครบถ้วนในเรื่องบนบานทั้งหลายของพวกเขาและจงให้พวกเขานั้นตวาร์ฟเดินเวียนรอบบ้าน เ و ่นนั้นแหละและผู้ใดให้เกียรติต่อข้อห้ามทั้งหลายของอัลลอฮ มันก็เป็นการดีแก่เขาหน้าที่พระผู้อวิบาลของเขาและปรสสุสัตทั้งหลายได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าเมื่อแต่บางสิ่งที่ถูกบอกกล่าวไว้แก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเปลี่งตัวออกจากความโสมมซึ่งหมายถึงเจเวัทั้งหลายและจงออกห่างจากการกล่าวคำเท็จ َمَنْ بِاللَّاهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا يُشْرِكْ هُتْطَيْرُ تَهُوِي فِي فَتَخْطَفُ بِهِرِّ السَّمَاءِ أَوْ الس ْحُ, ح โดยเป็นผู้ยึดมั่นความจริงเพื่ออัลลอ์ไม่เป็นผู้ตั้งพาคีใดๆต่อปรองุง และผู้ใดตั้งภาคีต่อล้องเสมือนว่าเหมือนว่าเขาร่วงลงมาจากฟาก ฟ, ฟ้าแล้วนกก็บินเฉียวเอาเข้าไปหรือลมได้พัดพาเข้าไปยังบินแดนอันไกลโพน้นดาิยวุรลลอฮิฟะอินนามินตวกุลูบฉะนั้นผู้ใดที่เกียดแก่พระบัญญัติแก่อัลลอฮ์ แท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจในปสุสัตว์เหล่านั้นมีคุณประโยชน์มากลายสำหรับพวกเจ้าจนถึงเวลาที่กำหนดไว้และสถานที่เชื่อของมันคือบริเวณบ้านอันเก่าแก่ ولكل َُّ أمة ُ جعلنا َ من سكن ليذكر اسم الله على ليذكر اسم الله ِ على َ ما َ رزقهم َُ من بهيمة َ الأنعم فإلهكم ََُُ إله َ واحد َِ فله ََُ أسم َُْ وبشر ََ المخبتين. َِ لَسَمْ رَبْ تُقْتُقْ <تصفيق> شَعَبْ เราได้กำหนดสถานที่ทำพิธีกรรมเพื่อพวกเขาจะได้กล่าวพระนามของอัลละฮ์ต่อสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขาคือสัตว์สีเท้าเช่นอูดวัวแพะแกะฉะนั้นพระเจ้าของพวกเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวสำหรับพระองค์เท่านั้น พวกเจ้าจงนอบน้อมและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาพูดนอบน้อมเถิดคือบรรดาผู้ที่เมื่อพระ น, น, น, น, น, น, นามของอัลลอฮถูกกล่าวขึ้น หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงและบรรดาผู้อดทนต่อสิ่งที่ประสบกับพวกเขาและบรรดาผู้ดำรงละหมาดและจากสิ่งที่เราได้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขาพวกเขาก็บริจ า, า, จ า, าคมม ف ف ل ل และอุ่นที่อว่นสมบูรณ์นั้นเราได้กำหนดมันให้มีขึ้นสำหรับพวกเจ้าโดยถือเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอลัลล์เพราะตัวมันมีของดีสำหรับพวกเจ้า ฉตนั้นพวกเจ้าจงกล่าวพระนามขอล้องเมื่อเวลาเชื่อขณะที่มันยืนฉะนั้นเมื่อมันล้มลงนอนตะแคงแล้วพวกเจ้าก็จงบริโภคมันและจงแจกจ่ายเป็นอาหารแก่คนที่ไม่ขอและคนที่ขอเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้มันยอมจำนวนแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่อพระ เَยันาลุลอัลลอฮฺลุ حزمها ولا بما أؤها ولكن ين ولكن ين يناله التقوى منكم كذلك ال سخرها لكم ل ت َُ ب ر الله على ما هداكم وبشّر المحسنين เนื้อของมันแลวเลือดของมันจะไม่ถึงอัลลอแต่อย่างใดแต่การยำเกรงของพวกเจ้าจะถึงพร้อม เช่นนั้นแหละเราได้ทำให้มันยอมจำนวนต่อพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ความเกลี่ยนไกรต่อลอในการที่พระองค์ส่งชีแนะแก่พวกเจ้าและจงแจ้งข่าวดีแกบ่บรรดาผู้ทำความดีเลลลลถิดแา้จริงล l ะ a h ทรงปกป้อง บรรดาผู้ศรัทธาให้พ้นจากศัตรูแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดป่านทุกคนที่ทรยศแน่ละคุณลลสำหรับบรรดาผู้ที่ถูกโจมตีนั้นได้รับอนุ ญ, ญาตให้ต่อสู้ได้เพราะว่าพวกเขาถูกผมเหง และแท้จริงอัลลอฮนั้งสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างแน่นอน。 บรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนของพวกเขาโดยปราศจากความเป็นธรรมนอกจากพวกเขากล่าวว่า อัลลอฮ์คือพระผู้อภิบาลของเราเท่านั้นและหากว่าอัลลอฮ์ทรงขัดขวางไม่ให้เรศมนุษย์ต่อสู้ซึ่งกันและกันแล้วบรรดาหอสวดและโบสถ์ของพวกคริสต์และสถานที่สวดของพวกยิวและมะสัสยิดทั้งหลายที่พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวอย่างมากมายในนั้นต้องถูกทำลายลงอย่างแน่นอนและแน่นอนอัลลอฮ์ะจะสรงช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์ แท้จริงแล้วเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพอย่างแท้จริง บรรดาผู้ท like like ี่เราให้พวกเขามีอำนาจในแผ่นดินคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและบริจาคกาศและใช้กันในการกระทำความดีแล้วปรามกันให้ละเว้นความชั่วและบ้านปลายของกิจการทั้งหลายนั้นย่อมกลับไปหาอัลลอสุบฮานาฮูวาตาลา และหาพวกเขาพวกปฏิเสธชาวมักกะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเจ้าแท้จริงกลุ่มชนของนัวและอาจและสมูรได้เคยปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังนบี ของพวกเขามาก่อนแล้วและกลุ่มชนของอิบราฮีมและกลุ่มชนของลูตและชาวมัดยันและมูซาก็ได้ถูกปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเช่นกันแต่เราได้ประวิงเวลาให้แก่พวก ปฏิเสธสภาและเราก็ได้ลงโทษพวกเขาแล้วเป็นเช่นใดเล่าการลงโทษของเราฉะนั้นที่ตำบลมาแล้วที่เราได้ทำลายมันโดยที่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อาถรรพ์ และมันได้พังภาพลงมาและกี่บ่อ น, น้ำแล้วที่ใช้การไม่ได้และกี่ปราศาสูงที่มั่นคง พวกเขาไม่ได้ออกเดินทางไปในแผ่นดินดอกหรือเพื่อหัวใจจะได้พิจารณาสำหรับพวกเขาเองหรือมีหูเพื่อสดับฟังมันเพราะแท้จริงการมองของตา น, นั้นไม่ได้บอดดอกแต่ต้งว่าหัวใจที่อยู่ในโวงอกต่างหากและที่บอด และพวกเขาได้เร่งเราให้มีการลงโทษแต่ว่รา น, นั้นจะไม่ทรงผิดสัญญาของพระองค์เป็นอันขาด และแท้จริงวันหนึ่งณพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเท่ากับหนึ่งพันกีตามที่พวกเจ้าคำนวณนับและกี่ตำบลมาแล้วเราได้ประวิงเวลาการลงโทษมันโดยที่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อาธรรม แล้วเราได้ลงโทษทำลายมันและยังเรานั้นคือการกลับไปจงกล่าวเถิดมูมัดว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงฉันนั้นคือผู้ตักเตือนอันชัดแย้งแก่พวกเจ้าเท่านั้น فالذين الصالحات ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขา น, นจะได้รับการอภัยโทษและปัจจัยยังชีพอันมีเกียรติ และบรรดาผู้ที่เพียรพยายามอย่างไร้ความสามารถเพื่อลบร้างองค์การทั้งหลายของเรานั้นชนเหล่านั้นคือช่ารกระโลก และเราไม่ได้ส่งเราสูลท่านใดและนาบีท่านใดมาก่อนหน้าพวกเจ้าเว้นแต่เมื่อเขาหวังว่าชวยตอนจะเข้ามายุยแย่ให้หันเหตออกจากความหวังของเขาแต่ลราก็ส่งทำลายล้างสิ่งที่ชัยตอนยุยแย่ เราเราก็ทรงทำให้องค์การทั้งหลายของพระองค์มั่นคงและเราทรงรอบรู้ทรงปริชายเพวกอพระองค์จะทรงทำให้สิ่งที่ชัยตอนอยุยกเป็นการทดสอบ สำหรับบรรดาผู้ที่ในจิตใจของพวกเขามีโรคและจิตใจของพวกเขาแข็งกระด้างและแท้จริงบรรดาผู้ธรรมนั้นอยู่ในการแตกแยกที่ห่างไกล。 แ ล, และเพื่อบรรดาผู้รู้จะตระหนักว่าแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเพื่อพกเขาจะได้ศรัทธาต่อมันแล้วจิตใจของพวกเขาจะได้นอบน้อมต่อมันและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ส่งทีนะบรรดาผู้ศรัทธาสู่แนวทางที่เที่มตรง ال และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัตนั้นก็ ย, ยังคงอยู่ในการสงสัยต่ออัลกุรอานจนกระทั่งวันอวสานเกิดขึ้นแก่พวกเขาโดยเจ็บพลันหรือการลงโทษแห่งวันเกียร ม, มาจะเกิดขึ้นแก่พวกเขา ح ح ال อำนาจและวันนั้นเป็นของอัลลอฮพระงค์ทรงตัดสินระหว่างพวกเขาดังนั้นบรรดาผู้สัทธาและกระทำความดี ทั้งหลายนั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์แห่งความโปรดปรานของพลล ร, ระดดบบาาองคอมมส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและก็ไม่เชื่อฟังองค์การทั้งหลายของเรานั้นวนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างอั ป, ปยศ الله, و, نا, และบรรดาผู้อพยบในทางของ a ลล a h และพวกเขาถูกฆ่าหรือตายแน่นอนล l l a h จะทรงประธานปัจจัยอย่างชีพที่ดีให้แก่พวกเขา และแท้จริงอัลลอ์นั้นคือผู้ที่ดีเลิศแห่งผู้ประทานปัจจัยอย่างชี ว, วิตพรอมจะส่งให้พวกเขาเข้าไปในสถานที่ที่พวกเขาพอใจคือสวนสวรรค์ และแท้จริงอัลล์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงคันติเลลั่นนั้นแหละผู้ใดโต้อตอบเยี่ยงที่พวกเขาถูกรังแกแล้วเขาก็ยังถูกกลมเหงอีกอลัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอน แท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ส่งอภัยผู้ส่งยกโทษดช่นั้นะเพราะอ AH ัลลอฮ์สรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันและสรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืน และแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นด้วยนั้นอัลลอฮ์คือผู้ทรงและนั่งไม่ขะ อ, อื่นจากพระองค์นั้นเป็นเท็จและแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงสูงส่ ง, สง ผู้สง่ง ย, ยิ่งใหญ่แล้วเจ้ามุฮัมหมัดไม่ได้พิจารณาดอกคือว่าถ้าจริงอัลอร์นั้นส่งให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วพผ่นหนึ่งก็กลายเป็นสีเขียวชุ่ม แท้จริงเลาเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรอบหูยิ่ง ส, าา ส, ส, สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์และแท้จริงอัลลอ์นั้นคือผู้ทรงมั่งคัง่งผู้ทรงได้รับการสรรเสริ ألم تر أن الله سخر لكم مات الأرض و ا ل ف ل ك َ تجري والفلكة تجري في البحر بأمره و y م س ك السماء تقع على الأرض وymsك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه อเจ้ามูมัดไม่ได้พิจารณาดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอำหนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้าในแผ่นดินและเรือแล่นไปในท้องทะเลโดยบัญชาของพระองค์และทรงยึดชั้นฟ้าเมฆตกลงมาบนแผ่นดินเว้นแต่โดยอนุมัติของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอ่อนโยนผู้ทรงเมตตาต่อมวลมู่มนุษยชาติเสมอ ว َهُ วَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ن ا ل ْ ن س ا ن ل ك ف و ر ُแล้วพรงคือผู้ทรงให้พวกเจ้าเป็นและทรงให้พวกเจ้าตายหลังจากนั้นก็สรงให้พวกเจ้านั้นเป็นขึ้นใหม่อีกถ้าจริงมนุษย์นั้น นาสำหรับทุกๆประชาชาิเราได้กำหนดพิธีทางศาสนาขึ้นโดยที่พวกเขาปฏิบัติตามพิธีนั้น แังนั้นคนหนึ่งคนใดอย่าได้โต้แย้งเจ้าในเรื่องนั้นและเจ้าจงเรียกร้องเกินชวนไปสู่พระผู้พิบาลของเจ้าถ้าจริงเจ้านั้นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงหากพวกเขาโต้แย้งเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอยู่ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. a l l ทรงตัดสินระหว่างพวก ا จ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. เจ้ามูฮัม م ม م د นี่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงละนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินแท้จริงสิ่งนั้นอยู่ในบันทึกแล้วแท้จริงดังกล่าวนั้นเป็นการง่ายสำหรับลลา Allah <ير> และพวกเขาก็รบสกราระสิ่งจาก a ลล a h ซึ่งพร่งไม่ได้ประทานลงมาให้เป็นหลักฐานและสหรับพวกเขาม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และสหรับพวกอาธรรมนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือไดๆ وإذا تسل عليهم آيات بيّنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر َكَادُونَ آيَاكِنَا أَثَأُنَبِّئُكُمْ دَالِكُمْ يَسْتُّونَ يَثْلُونَ وَعَدَهَ بِاللَّدِينَ بِشَرِّ عَلَيْهِمْ ُلْ الَّذِينَ كَفَرُوا และเมื ce, ah hearts, us, ่อองค์การทั้งหลายอันแัดแจ้งของเรานั้นได้ถูกนำมาอ่านแก่พวกเขา จะสังเกตเห็นอาการไม่ยอมรับบนใบหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาเกือบจะเข้าไปทําร้ายบรรดาผู้อ่านองค์การทั้งหลายของเราให้พวกเขาฟังตรงกล่าวเถิดมูมมัดว่าฉันจะแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้ไหมมันคือไฟนรกไงละ่ะเาลาได้ทรงสัญญามันไว้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและมันเป็นทางกลับที่ช่วยรายยิ่ง يا أيها الناس ضرب م ث ل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لينيخذوا ذ ب ا ب ا ولو ا جتمعوا له وإيسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب โอ้มนุษย์เอ๋ยอุทาหอนหนึ่งได้ถูกยกมากล่าไวไว้แล้วดังนั้นพวกเจ้าจงฟังมันให้ดีแท้จึงบรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์นั้นพวกมันไม่สามารถจะให้บังเกิดแม้แต่มแมลงวันสักตัวหนึ่งหากว่าพวกมันจะรวมหัวกันเพื่อการนั้นก็ตามแต่ถ้าอแมลงวันนั้นพาสิ่งใดหนีไปจากพวกมัน พวกมันก็ไม่สามารถจะเอามันกลับขึ้นมาได้จากมาแรงวันทั้งผู้ขอและผู้ถูกขอช่างอ่อนแอแท้ๆ ق ق ز ز. พวกก็ไม่ได้ให้เกียรติอัลลอฮตามที่ควรจะให้เกียรติต่อพระองค์ แท้จริงอัลลอเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชาุภาอัลลอฮยตฟีมิ่นัลมาลัคตรุสลวะมินัลนสอินนัลลอฮสนีบรอัลลอฮ์ทรงคัดเลือกบรรดาทูตจากหมู่มลายกาและจากหมู่มนุษย์ แท้จริง a l l a เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาและกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไปยับมันละยาเอเยห์หลัดีนอาเมนกะหููอบดรบบัคุมวุย <ون> อุบัดาผู้สรัทธาทั้งหลายเจ้าจงหูกวัวจงสุยุดและจงเคารพทักดีต่อพระพูกวิบาลของพวกเจ้าเถิดและจงกระทำความดีหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับใัยชนะว ا ه ِ د ُิ ا ف ِิ الله ح َّ جهاده هو جت ب ك ُ م وما جعل عليكم في الدين من حرج ملت أبيكم إبراهيم هو سمكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون وتكون شهداء على الناس เิกรัและุลซักค์และอััศมัลลาห์วมาคเ้่มัลมูาและ่ลร์จงต่อสู้เพื่อล้อย่างแพ้จริงพระองค์ทรงคัดเลือกพวกเจ้าและพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้เกิดความลำบากแก่พวกเจ้าในเรื่องศาสนา คือศาสนาของอิบราฮิมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเจ้าพระองค์ทรงเรียกชื่อของพวกเจ้าว่ามุสลิมไว้ในคำภีรก่อนๆและในคำภีรนี้เพื่อรอดศูนจะได้เป็นพยานแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะได้เป็นพยานต่อบนมนุษย์แต่นั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคเสียากาศและจงยึดมั่นต่อพระองค์ซึ่งพระองค์เป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้า เพราะพระองค์คือผู้คุ้มครองที่ดีเลิศและเป็นผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม